ข้อความในมหาปรินิพานสูตรในปาตลิคามิยสูตรเนี่ยนะหรือปาตลิคามข้อความอันนี้มีอยู่ในอุทานก็มีในมหาปรินิพานก็มีเนื้อหาก็เหมือนกันกล่าวถึง หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองนารันทาตามพระอัธยาศัยคือหมายถาว่าอัธยาศัยของพระองค์เน่นน้อมไปเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์แก่ชาวโลกเมื่อไม่มีเหล่าสัตว์พอที่จะตรัสรู้ธรรมในระหว่างนั้นพระองค์ก็จะจารีกไปไปที่อื่นที่ที่จะมีผู้ตรัสรู้ตามมีผู้ที่จะบรรลุตา ม, มพระองค์ก็เลยตรัสกับพระอ น, นุ์ว่ามาเถิดอ น, นุน เราจะเข้าไปยังหมู่บ้านปาตลิคามซึ่งจริงๆแล้วจากนาันทาไปปาตลีบดีนี้ก็นั่งรถหลายชั่วโมงอ่ะนะก็ถือว่าไกลมากอะนะพระนรนก็ทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสอ์หมูใหญ่เสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านปาตลิคามนั้นแล้วอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามได้ยินข่าวว่า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 พระราชามาจากโน่นก็มาจากนี่ก็มาหมู่บ้านนี้เดือนร้อนประจําเพราะฉะนั้นต้องพาครอบครัวออกจากบ้านมาพักกันข้างนอกเนี่ยบางทีก็เดือนหนึ่งบางทีก็ครึ่งเดือนเพราะเกิดนึกว่าอยากจะมาพักบ้านนี้นะบ้านนี้น่าเรื่นรมมันมีปัญหาเรื่องชายแดนเพราะเป็นบ้านระหว่างชายแดนเราเป็นหน้าด่านของเมืองราชเกลือกเมืองพายาลีมันพวกคนใหญ่คนโตก็จะมาพักประจํามนุษย์เหล่านั้นถูกรบกวนบ่อยๆเข้าบางทีก็เขามาก็ต้อง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 ให้พระองค์นี้เสด็จมาถึงสถานที่อยู่ของพวกเราด้วยพระองค์แล้ววันนี้พวกเราจะอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ตรัสมงคลในที่พักก็เลยกล่าวกันอย่างนี้บทว่าเยนาวะสถาคารังความว่าได้ยินว่าผู้คนเหล่านั้นไม่รู้พระทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายปกปติแล้วมีอัธยาศัยชอบป่ายินดีอยู่ในป่า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 คือกำหนดหมายว่าถ้าพูดอย่างนี้ผลออกมาอย่างไงถ้าทําอย่างงี้ผลออกมาอย่างไรคือรู้สูตรรู้ทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะหนึ่งคำพูดไปแล้วมีผลต่อจิตใจกับเข้าอย่างไรปัจจุบันอย่างไรต่อต่อไปอย่างไรชาตินี้อย่างไรชาติหน้าต่อต่อไปอย่างไรจากพุทธพจน์ของพระองค์หนึ่งคำออกไปเนี่ยพระองค์รอบรู้ขนาดนั้นเนี่ยนะฟังพระองค์จึงรู้ว่าศีลนี่แหละเหมาะกับอัธยาศัยของอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านปาตลิคาม ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิขามว่าดูก่อนเครือาย บ, บดีทั้งหลายโทษของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีห้าประการนะหมายว่าถ้าทุศีล น, นะคนทุศีลที่ศีลวิบัติศีลขาดบ่อยๆนะทุศีลบ่อยๆก็มีโทษห้าประการห้าประการเป็นไนะดูก่นอนเครห บ, บดีทั้งหลายบุคคลทุศีลปราศจากศีลในโลกนี้ ประสบความเสื่อมโภคะเป็นอันมากเพราะมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งของศีลวิบัติของบุคคลทูศีลนะคนทุศีลเนี่ยอันหนึ่งก็คือเสื่อมทรัพย์เสื่อมโผคะทั้งหลายข้อที่สองดูก่อนเครือขบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกกิติศัพท์อันชั่วหมายคือว่าชื่อชั่วชวชื่อเสียง ช, ชั่วชเนี่ยนะกลิ่นความชั่วโชวยไปไกลเหมือนกันของบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลก็อื้อเฉาออกไป นี้เป็นโทษข้อที่สองของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลดูก่อนเครืหาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีลเข้าสู่บริษัทใดๆคือขติยะบริษัทก็ดีพรามณะบริษัทก็ดีคบบรือาบดีบริษัทก็ดีสมณะบริษัทก็ดีเป็นผู้ไม่องอาจคุ้ยเขินเข้าไปนี้เป็นโทษข้อที่สของศีลวิบัติของบุคคลผู้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 ข้อต่อไปดูกรขึ้นหาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลเป็นคนหลงทำรรกาละหมายคขาว่าเมื่อตัวเองไม่ได้รักษาศีนเอาไว้นึกถึงอะไรเวลานึกก่อนตายก็นึกถึงแต่ปานาติบาสนึกถึงอาทินนาธานกาเมสุมิจฉาจาร์นึกอแผ่อกุศลกรรมทั้งหลายที่ตนได้เคยกระทำมาอันนี้เป็นโทษข้อที่สี่ของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล ดูก่อนครือาบ ด, ดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุกคคลผู้ทุศีนผู้ปราศจากศีนครันร่างกายแตกภายหลังมรณะจะเข้าไปถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษข้อที่ห้าของสีละวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนเนะั้นบุคคลผู้ทุศีนนี่ก็ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็อบายอยู่แล้วมันเวลาเราเห็นสัตว์ในอบา ย, บายเห็นเดรรชานทั้งหลายเห็นหมูนกหมูเนื้อเห็นสุนัขเป็ น, ต, นต้นก็รู้ได้เลยว่าพวกนี้อดีตเคยทาความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะเขาเหล่านี้นะอดีตทุศีลเป็นแน่บุคคลเหล่าใดที่ทุศีนบุคคลเหล่านั้นเบืเ้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบา ป, ปรกรรมที่ทำเอาไว้ก็เป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาทและ นรกนั่นเองดูก่อนเครื่องหับดีทั้งหลายโทษห้าประการของบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลเหล่านี้แลพูดถึงโทษของศีลวิบัตในอัตกะถากล่าวว่าบทว่าทุศีโลก็คือผู้ไม่มีศีลศีลวิปปโนก็คือศีลวิบัตหมายาว่าสมาทานแล้วก็แตกสลายหรือไม่ได้สมาทานอะไรเลยข้อแรกก่อนบอกว่า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 มันห ล, ลายๆเรื่องนํามาแต่ความเสียหายนํามาแต่ความเดือดร้อนนํามาแต่ความทุกข์ความยากความลําบากนั้นก็มีแต่ความกระทําความคับแค้นมันโทษของกระทําปาณาติบาตอธินาทานทำให้เสื่อมจากโภคะกองใหญ่เพราะอํานาจแห่งโทษเช่นถูกฟ้องร้องถูกปรับถูกเข้าเรือนจําถูกกัดขัดขวางในการประกอบอาชีพเป็นต้นในที่สุดก็ เสื่อมสิน้นพระันความทุศีนแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะแม้กระทั่งสังคมครอบครัวก็วุ่นวายอย่างสามีไปผิดกาเมที่อื่นกลับมาเนี่ยนะบ้านก็มีปัญหาแล้เนี่ยนะไม่ต้องทํามาหากินกันต่อไปแล้วหรือภริยาไปมีปัญหากับชายอื่นเข้าก็ครอบครัวก็ไม่ต้องอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเพราะนั้นศีลทุกข้อนํามาซึ่งภาระนํามาซึ่งปัญหาหรือไม่ก็เมาสุราแล้วขับรถไปชนคนตายเนี่ยนะมันก็ไม่มีจบมีสิ้นอ่ะนะเพราะนั้นทุกข้อเนี่ยนะถ้าความทุศีนเนี่ยทำให้เสียทรัพย์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 ทูศีลนี่ศีลดูอร้อนทั้งปัจจุบันด้วยเดือดร้อนในชาตินี้ด้วยตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมสิ่งแวดล้อมก็เดือดร้อนเดือดร้อนทั้งชาตินี้เดือดร้อนทั้งชาติต่อต่ อ, ตอไปนั่นเพราะผลของความทูศีลบรรปะชิตธรรมมาบวชมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปทูศีลขึ้นมานจะเป็นอย่างไรเมื่อทุศีลมาแล้วก็ถึงความเสื่อมจากศีลตัวเองก็เสื่อมจากจตุปริสุทธิศีลเสื่อมจากอริยทรัพย์ของ ในพระพุทธศาสนาคือศีลเสื่อมจากพุทธพจน์นะเ พ, พระะาะนั้นเขาบอกว่าผู้ที่เรียนธรรมะเนี่ยนะถ้าเกิดไปทุศีลขึ้นมาเนี่ยนะมันเลอะเลือนหมดเสียหายหมดเลยเนี่ยนะจำไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่ได้ระลึกก็ไม่ได้เหมือนกับเรียกว่าคนเคยเคยเค ย, เคยมีอ่ะนะเคยมีพุทธพจน์เคยมีความรู้เคยมีความทรงจําหนักๆเข้าบอกระลึกอะไรไม่ได้จําอะไรก็ไม่ได้จํนานะจําโมอะไรก็ไม่ได้ถ้านะโมยังระลึกไม่ได้ต่อวันต่อวันแล้วที่เหลือจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะเพราะเสื่อมจาก ฌานเป็นต้นเสื่อมจากสมถะและวิปัสนาเสื่อมจากอริยรัพยอันนั้นเสื่อมจากศรัทธาศีลหิริโอตตะสุตะจากะแล้วก็ปัญญาหรือว่าเสื่อมจากโพธิปัคขยธรรมพันบานปชิตถ้าหากว่าประมาทไปทูศีลเข้ามามีแต่ความเสียหายทั้งในปัจจุบันและสัมรารพ